จนมาทั้งมาเหลือความเป็นปัจจัยสีนะที่เราจะต้องใช้เนี่ยเหลือเหลือน้อยลงมาน้อยลงมาเท่าที่เราจะเก่งดูนะยังใครถือศีลห้าถือศีลห้าเนี่ยจะลดน้อยลงมาขนาดหนึ่งแล้วความฟุ้งเฟ้อฟุ่งเฟือยที่ไปติดสุกต่างๆจะลดลงมาขนาดหนึ่งถ้าใครถือศีลห้าได้แต่พอขึ้นศีลแปดคุณดูนะ ศีลแปจะเริ่มโอ้โหเรื่องอาหารนั่นก็ให้คุณเริ่มลดมือละเพราะศีลแปดเริ่มข้อที่หกคืออะไรวิกาลโภชนาดูนะศีลห้านี่เรื่องอบายมุกต่างๆให้คุณลดคือศีลห้าเนี่ยตัดไอ้พวกฟุ้งเฟ้อฟุ่งเฟลอย่หยาบทิ้งก่อนเลยระดับศีลห้าซึ่งเห็นเราเห็นง่ายเลยเห็นชัดเลยหวยอย่างนี้กายพันันอย่างนี้อะไรมันไม่จําเป็นอะไรเลยดูง่ายๆ นะเห็นชัดๆเพราะพวกนี้ตัดออกไปได้ก่อนเลยแล้วพอเราขึ้นมาสีแปะปั๊บเอาเราเริ่มแล้วคราวนี้ดูนะเริ่มเริ่มเห็นปจัจิเสธชัดขึ้นแล้วนะนะให้กินเป็นมื้อเป็นคราวนี่เริ่มแล้วเริ่มจํากัดใ ห, ให้ให้น้อยลงนะเอ็มะเรื่องกินให้กินน้อยลงแต่น้อยแบบพอดีไม่ใช่น้อยแบบบอกแล้วขี้เหนียวอะไรไม่ใช่เมื่อคนนี้ทําได้ไปดูสิพวกเราทุกวันเนี้ย ยิ่งใครทําได้ลดมื้อลงมาลดมื้อลงมาจนเหลือพอดีที่สุดพุทธเจ้าท่านถือว่ามื้อเดียวเป็นพอดีที่สุดนะโดยเฉพาะยิ่งมาถึงนักบวชสบายทุกวันนี้เนี่ยอาตมาก็กินมื้อเดียวมาตั้งโอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วนะเนี่ยกินมื้อเดียวมาตั้งยี่สิกว่าปีแล้วพอกินตั้งแต่สมัยเป็นคารวะตั้งแต่ยังไม่มาอยู่วัดและนี่อยู่วัดมาตั้งสิบกว่าปี ทำไมเรากินมาก่อนอีกอ่านี่ยรกินมาตั้งยี่สิบกว่าปีโอ้โหสบายมากเลยไม่งั้นแต่ก่อนอ่ะเดี๋ยวไอ้นันมาแงงแงงแงงแงงแมงแมงมาปอกปอกมาอะไรต่ออะไรเนี้ยเอาละเดี๋ยวก็กินอีกเดี๋ยอะกินอีกอ่แต่พอพอเราปฏิบัติทําได้เราลดพวกนี้ได้สบายเลยมันจะแมงแมงปอกปอกแปลแปลอะไรมาแล้วก็สบายไม่ต้องกินแล้วสบายมากมาก แล้วไม่หิวดูแฮะเออทองมันสบายเลยจริงๆทุกวันเนี่ยเนี่ยคุณคิดดูเนี่ยเนี่ยแค่สีงข้อที่หกจะเห็นชัดเลยเพราะหลักการของศาสนาพุทธเนี่ยให้พ้นทุกโดยวิธีที่ดับทุกไม่ใช่ให้พ้นทุกโดยวิธีไปหลงอะไรว่าเป็นความสุขแล้วเอาความสุขมาโปะทับนะ กบอไว้เฉยๆไม่ใช่เลยมันนี่นี่คือความแตกต่างมากว่าวิธีของพุทธเนี่ยพุทธเจ้าท่านเอาตรงนี้ทุกใช่ไหมทุกทั้งก็พยายามให้ถอนทุกออกไปให้ถอนทุกไม่ใช่ให้มากรบทุกอทุกเรื่องกินเนี่ยฮะท่านเริ่มให้ถอนแล้วให้ถอนแล้วจูกจูจิบจิ บ, จ บ, จบนอกมือนอกเวลากินเกินความจําเป็นจนพุงอย่างเงี้ยกลมตุยนุยบางทีนะเอ า, เ, อาเห็นก็เห็นอยู่แล้วก็ลดลงไปได้แล้ว ก็ลดลงไปสินะอันนี้ดูนะีน่สิงคโปร6สิงคโข้อที่เจ็ดก็เกี่ยวกับการประดับตกแต่งนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไรอะไรต่างๆอ่าคุณดูนะอันนี้ยังเห็นชัดเหมือนกันใช่ไหมอันนี้แหละยังเห็นไอตัวฟุ้งเฟ้อฟุ่งเฟือยที่ไม่จำเป็นกับชีวิตเนี่ยอันนี้ชักจะเห็นชัดอันนี้มันเป็นรายละเอียดของอใยมุก ที่มานั่นแหละเครื่องประดับตกแต่งคุณเห็นชัดเลยว่าไม่จําเป็นเลยสร้อยบ้างแหวนมั่ ง, งอา้าวเครื่องประดับไล่ไปทีมีอะไรอีกฮะตุ้มหูอา่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่มีแต่ตุ้มหูเขามีตุ้มจมูกก็มีตุ้มสะดือก็มีเดี๋ยนี้แล้วเขาคิดว่าเป็นความสุขด้วยใช่ไหมเออเป็นความสุขเป็นความเท่เออไอ้สุขแบบเนี้บอกแล้วมันยิ่งหนักข้อมันยิ่งต้องสแสวงหาก็ยิ่งต้องแปลกใมย่ยิ่งต้อง บำลุงบำเลอหนักขึ้นเรื่อยๆซึ่งบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ดับทุกมันเพิ่มทุกไปเรื่อยๆมันตรงขัางข้ามเลยเพียงแต่ว่าความรู้สึกเขาต่างหากซึ่งเขาไม่เข้าใจความเป็นจริงเขาคิดว่าอย่างงั้นละ่ะสุกสุกสุกมันเป็นความหลงเป็นโมหะแต่ถ้าคนเข้าใจแล้วรู้เลยว่าโอ้เปลืองเวลาเจ็บตัวเผลอๆเนี่ยเจาะโน่นเจาะไอ้นี่ติดเชื้อโลกไปอีกอ่า วันดูนั่นเนี่ยเห็นไมเนี่ยแค่เครื่องมาตับตัแตง่งอา้าวเครื่องทอกทาเขานี่อ่ะได้ไหมครีมนุ่นโลชั่นนี่อะไรแนไอทีทาทาเนี่ยมีอะไรอีกอาตมาเนี่ยมันไม่ค่อย ใ, ใช้เลยนึกชื่อเขาไม่ออก <c oughs> นีนีเวีย <c oughs> แต่ถ้าสมมุติมันเป็นน้ำมันที่ผิวเราเกิดเป็นโรคนะหรือว่า อะไรอ่ะมีปัญหาเกิดขึ้นจะต้องดูแลรักษาแล้วต้องมาใช้อ น, นันเราถือว่าเป็นยานะไม่ไม่ถือว่าเป็นเป็นของเกินความจำเป็นแต่ที่เราพูดนี่คือก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะผิวก็ดีดดปกติเนี่ยแหละแนมะแต่ต้องมาเพ่าออมาทาให้สวยเออให้สวยจริงๆก็นุ่มอยู่แล้วต้องนุ่มกว่านี้อีกต้องเนียนกว่านี้อีกต้องอะไรเข้าไปเรื่อยๆสีอย่างนี้ไม่ชอบเอาสีอื่น เปลี่ยนสีอื่นอน่าจะจะเป็นผมก็ตามนะเดี๋ยวนี้เขามีสีลุ้งเลยเจ็ดสี อ, อะไรก็ได้เขาทําได้หมดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็ไปทุกข์มากอะ่ะแต่เวลาเราดูเขาเนี่ยโอ้โหเขาดีใจนะแหมทํานี้ได้ขเขาถ่ายรูปแหมออกทีวีลงหนังสือพิมพ์แหม่เขารู้สึกเขาโก้โเกะแล้วเขาก็มีความสุขมากๆน้ําก็เป็น ความหลงที่ที่คิดประสมเห็นมหมดูนะถ้าเราตัดพวกนี้ไปได้สบายเลยตื่นมาเงี้ยบางคนตื่นมาโอ้ไม่ต้องมาคอยอุ้ยบางคนก่อนนอนเนะี่ยเขาพอกอ็เห็นไหมเขาพอกไงให้หน้าสวยนะพอกไม่รู้เขาพอกอะไรพอกโคนมั่งพอกอะไรมั่งไงไอที่จะให้หน้าสวยๆแล้วเหลือลูกตาไว้เท่านั้นแหละนะ <c oughs> นนเราก็ไม่ต้องไปยุ่งยากไม่ต้องไป ลำบากลำบนอะไรอย่างเขาเลยนั่นเนี่ยเดี๋ยวเนี่ ย, เ, ยเอาละพอละไอเรื่องพอกทาอะไรเนี่ยใช่ไหมแต่สิยงข้อดีเจ็เนี่ยดูนะแม้แต่อะไรดนตรีการร้องลำํลงลำทำเพลงอะไรเดี๋ยวเนียโอ้โหโฟกเกินเลยเถิดจริงๆดนตรีหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรียนแบบมาจากธรรมชาติอย่างหนึ่งที่คนเรามีมันก็เออช่วยบันเทิง ช่วยทำให้จิตใจรื่นรมหรือว่าเบิกบานขึ้นได้แต่ทุกวันนี้มันเกินความจำเป็นเหมือนกับจริงๆเนี่ยกินข้าวกินอาหารจำเป็นจริงๆก็แค่นี้แค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะแต่เราก็ต้องกินเกินโอ้โหต้องไปให้มันพิสดารเปิบไอ้นั่นเปิบไอ้ไนีน่นมันบ้าบ้าบาบาจนกินอะไรไม่รู้กินมแมลงเนี่ย โอ้แล้วก็าาแมลงนานาชนิดเลยนะเขาขายเป็นรถเข็นเะน่ะไม่รู้พวกคุณเคยเห็นไหมเขาขายเป็นรถเข็นนะมีอะไรบ้างนะ่ะตะกั่แตนตัวด้วงจิ้งรีแมงจิ้งจกตุ๊กแกมีหมดละเดี๋ยวนี้มีหมดจริงๆส่งขายต่างประเทศอีกด้วยโอ้มันมันเลยเถดิดไปไกลจนกระทั่งเนี่ยมันเฟอมันเกินนะซึ่ง จริงๆถ้าเราไม่ไม่ต้องไปติดสุกอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็สบายไม่ต้องไปกินอะไรแปลกประหลาดพิสดารอะไรที่ไหนแล้วก็สัตว์ก็ไม่ต้องมาโดนเบียดเบียนไม่ต้องมาโดนฆ่าอะไรที่ทําให้ผิดศีลข้อหนึ่งไปอีกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเจอวิบากกรรมอะไรพวกนี้เห็นไหมพราะพอเราลดพวกนี้ได้เราโอ้โหสบายขึ้ น, น่งเยอะเนี่ยอ่าเนี่ยแม้แต่เอาคราวนี้ดูหนังฟังเพลงกับทุกวันนี้มันมีละ ดูหนังฟังเพลงมันก็ดีมีสาระมีประโยชน์นะจักดูสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์แต่ทุกวันนี้บางทีบ้าบ้าบอโอบทั้งบางทีโบเปื่อยรามกฆ่ากันไม่ใช่เลือดท่วมจอนะมันจะไหลออกนอกจออยู่แล้วเลือดอะนะจนกระทั่งบางทีเนี่ยโอ้มันสู้กันมาอะไรเดี๋ยวนี้เ็ามีหนังสามิติแล้วนะเดี๋ยวนี้ดูแล้วคุณนั่งดูนี่คุณต้องหลบเลยนะเพราะว่า มันจะพุ่งออกมาจากจอเพราะมันทําแบบสามมิติโอ้โหมันเหมือนเลยจริงจริงนะนั่งดูอยู่เนี่ยนึกว่ามันจริงเลยมันแล้วมันถ่ายแบบว่าพุ่งออกมาไงโอนั่งดูอยู่ต้องหลบเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันพุ่งโดนคือมันคิดไปเลยดูแล้วมันมันมันเห็นเป็นอย่างนั้นไปเลยแล้วเนี่ยมันมันเกินความจําเป็นไปเลยแล้วก็เลยเนี่ยเพาถ้าติดสุขแบบนี้เนี่ยเอาเธอคนนี้คุณมาเสียเงินเสียทองแล้วคุณก็ต้องมาทํางานหนักเหนื่อย เพื่อที่จะให้ได้สิ่งเหล่านี้มากรบทุกข์ไม่พ้นทุกข์พวกนี้ไม่พ้นทุกข์เสียทุกอย่างเลยเสียเวลาเสียสุขภาพเสียเงินเสียทองนะโดยที่สุดโดยที่ที่ที่สุดก็คือเสียสติที่สุดแล้วเสียสติที่เป็นสัมมาสติที่เป็นความรู้ตัวที่ถูกต้องนะนั่นแหละจริงๆแล้วมันมันวิพผลิตไปเรื่อย เอาละพอนะเดี๋ยว ก, <c oughs> ก็ชอบหาว่าเราเนี่ยชอบไปว่าคนอื่นเขาเรื่อยเนี่ยมีจดหมายก็มาไอโนนก็มามาอโศรกเนี่ยอะไรอะไรก็ดีแต่ว่าไม่ต้องไปว่าคนอื่นเขาได้ไหมแล้วมาก็เขียนตอบเพิ่มไปยนะจริงจริงก็มีคนให้ให้ใหจดหมายนี้ให้คนไปช่วยตอบมาแล้วแต่เขาตอบมาแล้วอแต่มายังรู้สึกแหมรู้สึกต้องเติมให้เขาหน่อยก็เลยเติม เพิ่มเข้าไปอีกว่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปว่าอะไรใครเขาหรอกแต่เมื่อเราเนี่ยต้องการที่จะให้สภาพบ้านเมืองหรือว่าสภาพสังคมมันดีเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีมันไม่ถูกต้องเราก็คงจะต้องพูดถึงเราไม่ใช่ปล่อยว่าชั่วช่างชีดีช่างสงใช่ไหมถ้าปล่อยอย่างนั้นเนี่ยโลกพินาศแน่พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าท่านตรัสรู้มาแล้วท่านก็เอาสิ ตอนแรกอ่ะสัญญาแรกที่ความรู้สึกแรกของท่านท่านยังจะไม่สอนคนเลยบอกว่ามันยากคนรู้เรื่องยากแล้วถ้าท่านคิดอย่างเงี้แล้วท่านท่านไม่ไม่คิดจะสอนคนไม่คิดจะติงเตือนคนอื่นเขาใช่ไหมสอนคนนี่มันสอนเรื่องลดกิเลสเขาด้วยเนี่ยมันโอ้โหก็หนีไม่พน้นก็ต้องว่าไอ้นู่นไอ้นี่ที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ดีใช่ไหมเพราะฉนั้นถ้าพระเจ้าเนี่ยท่านไม่มา ว่ากล่าวไม่ไมาติจิงไม่มาสั่งสอนเ็จที่พวกเราจะมาได้ถือศีลปฏิบัติธรรมเหมือนทุกวันนี้เหรอก็ไม่มีทางเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเรื่องที่พวกเราเองจะต้องรู้จะต้องเข้าใจแล้วมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่กิเลสของคนเราเนี่ยเราจะกลัวคือคือเรากลัวว่าถ้าเราติใครเข้าไปหรืออะไรเข้าไปแล้วเขาจะโกรธเราเขาจะเกลียดเรา หรือเขาจะมาทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มีตัวกลัวพวกนี้อยู่ทำให้เราก็ไม่กล้าไปยุ่งกับใครนะเราก็จะเอาแต่ตัวเราเองรอดเท่านั้นถ้าแต่ตอนนี้เราอยู่ในสังคมแล้วศาสนาพุทธเนี่ยผู้เจ้าตรัสเลยพระอุชนะริตายะพระอุชนะสุขาญะใช่ไหยหมายถึงว่าเป็นไปเพื่อคนไปนั้นมากประโยชน์ของคนเปนันมาก แล้วเป็นไปเพื่อความสุขของคนแบมมากด้วยไม่ใช่เป็นไปเพื่อความทุกข์ของคนไปอันมากก็แล้วตอนนี้เนี่ยก็เขาหลงอยู่อันนั้นน่ะซึ่งมันเป็นทุกข์แต่เข้าไปหลงเป็นสุขแล้วไม่ให้เราพยายามพูดว่านั่นนะคุณหลงเป็นสุขนะจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์ถ้ายิ่งไม่มาพูดไม่มาบอกเ อ, อ้าเราจะรู้ได้ยังไงอะ่ะก็หลงอยู่แต่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันทีมันก็เลยต้องพูดก็เลยต้องบอก เพื่อที่จะได้เออ เ, ออเข้าใจขึ้นมาถ้าใครมีสติแล้วใครพอจะเข้าใจความจริงเนี่ยอย่างฟังวันเนี้เราก็เออจริงด้วยไอ้ที่เราติดสุขอย่างนั้นน่ะมันถึงได้ทุกข์อย่างเงี้ยวันคนนั้นก็จะเริ่มล ด, ดลงเห็นไหมอ่าอย่างนี้อย่างศีลข้อที่เจอ่าหรือสิลข้อที่8เกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่านะเรื่องของการหลับนอนของเราก็ถือว่าเนี่ยเรื่องของการติดสบายนี่แหละหรือติดสุขพูดง่ายเนี่ย ไหนต้องที่นอนอย่างงั้นต้องที่นอนอย่างนี้นะโอ้โหได้นอนวันละสักกี่ชั่วโมงดีสิบชั่วโมงอะไรเงี้ยโอ้โหมีความสุข อ, อ้าวนี่คงก็ติดอีกแหละทั้งนั้นในชีวิตจริงๆมันไม่จําเป็นจะต้องโอกโวมนอนมากชั่วโมงขนาดนั้นเลยจริงเราไม่เก่งเท่าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านนอนสี่ชั่วโมงใช่ไหมเราไม่เก่งขนาดนั้นหรอกนะเราก็เอาสักหกชั่วโมงเจดชั่วโมงกับ พอแล้วก็ไม่เห็นจะต้องไปนอนหามลุ่มหามคำ่ำบางคนเนี่ยนอนแบบดูหนังเลยนะตอนเช้าตื่นขึ้นมาใช่ไหมทำอะไรหน่อยเดี๋ยวเอากลางวันนอนอัน น, น, นี้อันนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวคนแก่นะขอไปอันนี้เกี่ยวกับว่าเนี่ยแหละคนปกติคนหนุ่มคนสาวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอตกเย็นเอานอนนอนหลยอจะเอากินข้าวดูทีวีดูอะไรไปแล้วก็ทำไปถึงดึกดึกหน่อย แล้ว ก, ก, ก, ก, ก็กินอีกดึกๆก็กินอีกแล้วเดี๋ยวก็นอนตื่อมาเดี๋ยวอาอย่างนี้เนี่ยอย่างน้น้อยบางทีโอ้โหบางคนวันหนึ่งสองสามรอบนอนซึ่งมันทีมันก็เกินเฟอ้อแล้วนั่นนะ่ะจริงๆมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขนะแต่เขายังเข้าใจว่านั่นนะ่ะคือสุขเนี่ยแม่สียงข้อนี้เห็นไหมพูะเจ้าท่านก็ยังให้หัดมาลดละเลยให้นอนรู้จักเป็นเว ล, เวลา นะอย่าไปนอนจุบนอนจิบนะนอนให้เป็นมือเป็นคราวนะควรจะนอนเมื่อกินนี่แหละให้ให้มันเป็นมือเป็นคราวอย่าไปนอนจุบนอนจิบอะไรมากมายนะบางคนมีเวลาไม่ได้นะมีเวลาเมื่อไหร่แล้วก็ทันทีเลยแหละต้องระวังมากมากอันนี้เนี่ยเี๋ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นะในเรื่องของพวกปจัจใจสี่จริงๆริงเนี่ยพูดมาถึง ไอเรื่องยานะที่จริงอ่ะปัจจัยตัวที่สี่เรื่องของหยุกยาอะไรต่างๆซึ่งเรื่องหยุกยาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ดูนะสำหรับภิกษุที่มาบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ยิ่งไม่ให้มีเงินใช้ภิกษุเนี่ยถ้าในศาสนาพุทธคุณคิดดูโหตัดขนาดไหนตัดว่าไม่ให้มีเงินใช้อะ่ะจะอะไรนี่บอกญาติโยมเขาเท่านั้นเอง แล้วก็บอกได้เฉพาะโยมที่ปรนน่าหรือเป็นเครือญาติเท่านั้นคุณคิดดูสิตัดรอบขนาดไหนห้ามมีเงินทองใช้เลยมีใช้ถือว่าผิดอต้องไปปรงปรงอาบัติปรงอาบัตินี่หมายถึงไม่ใช่ว่าใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาปรงไอ้ที่เหลือก็เก็บไว้ไม่ไม่ได้เลยนะโอ้พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้อะนะมาปรงนี่หมายถึงมายอมรับผิด ว่าเออทําผิดพลาดไปแล้วนะจะไม่ทําอีกแล้วถ้าเหลืออยู่อย่างกัยังเหลืออยู่ต้องเอาออกถึงจะพ้นผิดได้ถ้ายังเก็บไว้อยู่ยังถือว่าเป็นความผิดอยู่อย่างนั้นยังไม่บริสุทธิ์อ่าสีนข้อนี้ยังบกพร่องอยู่อย่างนั้นต่อเมื่ อ, อมาบอกให้เพื่อนฝูงเปื่อนพระเดียกันฟังแล้วว่าเออต่อไปจะปรับปรุงแก้ไขจะไม่ทําอย่างนี้อีก แล้วที่มีอยู่เนี่ยก็บริจาคออกไปหมดนะอย่างนี้ถึงจะบริสุทธิ์ขึ้นมาได้เนี่ยดูเอาก็แล้วกันเพราะในระดับพระเนี่ยขนาดว่าเรื่องเภสั์คือเรื่องยาเนี่ยคุณเจ้าท่านไม่มีเงินเนี่ยแล้วคุณจะไปซื้อยาไงยิ่งถ้าบางทีโอ้โหบางคนไร้ญาติขาดมิตรพอมาบวชเนี่ยเหมือนกับคนไร้ญาติขาดมิตร คือคือญาติอยู่ไกลอะ่ะแล้วก็ญาติจะไ ม, ไม่ไม่ได้มาเยี่ยมไม่ได้มาอะไรเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วท่านก็พูดง่ายว่าเป็นพระที่ไม่เท่ไม่รอไม่ไม่รวยมาก่อนพูดง่ายสมเหมาเนะียดูแลสมเหมาสมเหมาอ่ะโอ้ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเทศก็ไม่ค่อยเก่งอย่างเงี้ยเอาทําไงอะ่ะเจ็บป่วยขึ้นมาเอาสมมุติว่าก็ไม่ค่อยมีเพื่อนพระด้วยกันอยู่ด้วยอะ่ะอ่ พุทเจ้าท่านก็บอกว่าเอา้าเงินก็ไม่มีด้วยอะโยมก็ไม่ค่อยมาเอาใจใส่อะเพราะท่านไม่ดังเพราะฉะนั้น <c oughs> แล้วเพราะฉะนั้นก็เอาเอายาตัวเองพุทเจ้าท่านก็ให้ใช้ยาตัวเองจะใช้น้ำฉี่ก็ตามอะไรก็ตามนะซึ่งอันนี้ก็ใช้คุณคิดดูสิถ้า เป็นคนที่ไม่เข้าใจสัจจะของชีวิตตอนนี้ป่วยใช่ไหมต้องการดับทุกข์ป่วยและพระเจ้าท่านบอกว่าทีเนี่ยรักษาได้อผู้เจ้าท่านท่านยืนยันนะท่านท่านถึงได้บอกนี้เป็นนิสัยของเธอประการหนึ่งเป็นนิสัยเลยนะพระเจ้าท่านใช้คําว่าเป็นนิสัยเลยนี่คือคือเหมือนกับการยืนยันว่ายังไงก็พอบรรเทาหรือว่าพอช่วยรักษาโรคเธอได้บ้างอะ่ะถ้าถ้ามันหมดทางอย่างอื่นแล้วนี่ใช่ไหม แล้วเราก็ไม่คิดจะไปทําอะไรให้มันผิดศีลอะไรด้วยเพราะฉะั้นคาวนี้ก็เอาที่ก็ดื่มปสัสสาวะของตัวเองอืเป็นยาถ้าพระรูปนั้นท่านรู้ท่านเข้าใจสัจจะชีวิตอย่างนี้ได้แล้วท่านก็ไม่ติดว่ายาต้องเป็นแคปซูลยาต้องเป็นขวดยาน้ํามายาต้องเป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้มา แต่อันนี้ก็ยาชีในปัสสาวะนี้ก็ยาผู้เจ้ายืนยันว่ายา <c ười> นะถ้าคุณไม่มีอุปทานอย่างนั้นคุณไม่ไปหลงว่าต้องต้องได้กินยาอย่างนั้นแล้วถึงจะมีความสุขนะคุณคุณเชื่อผู้เจ้าเจ้าถ้าคุณว่ากินอย่างนี้ก็ได้ฉันอย่างนี้ก็ได้รักษาโรคอ่าถ้าแพ้รูปนี้ท่านท่านเออศรัทธาเชื่อเชื่อมัน่นท่านก็เอาเลยท่านป่วยอยู่เนี่ยท่านก็ดื่มดู ไม่รู้นะหายหรือไม่หายอีกเรื่องนะแต่อย่างน้อยๆนะเ อ, เอาเอาเราเชื่อเราศรัทธาแล้วหลักฐานนี่มันก็มีอยู่แล้วคนที่ทดลองทํามาแล้วก็มีให้เห็นจริงๆด้วยไออย่างเงี้ยเราก็ลองไม่มีเงินก็ไม่มีปัญหาใช่ไมก็อยู่ได้อสโศกเนี่ยหลายคนเลยแม้เป็นครวาสอยู่เนี่ยจริงๆเขามีเงินนะไปซื้อยาก็ได้แต่เขาก็ทดลองอันนี้เหมือนกันดูว่าจริงไหม ก็หลายคนเลยหลายคนที่ไปทดลองแล้วปรากฏว่าเออหลายโรคเหมือนกันนะที่เขาทดลองทดลองแล้วเอออาการดีขึ้นหายขาดไม่ไหายขาดอันนั้นไม่รู้แล้วนะแต่ว่าอาการดีขึ้นจนกระทั่งทุกวันเนี้บทความเรื่องน้ำฉี่ดีจริงหรือลงในสารโศกลงมาได้ตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วก็ยังมีคนทดลองทาแล้วก็ส่งผลมาให้ทราบ ส่วนใหญ่ก็พวกที่ไปทดลองก็มักจะบอกว่าโรคภัยบางอย่างของเขาเนี่ยมันเทาลงบางคนก็หายสนิทเลยก็มีมีเหมือนกันที่บอกว่ากินไปแล้วไม่มีผลอะไรก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่บอกรู้สึกว่าดีขึ้นมันจะไม่ดีขึ้นได้ยังไงอ่ะอย่า ง, างน้อยก็รู้สึกว่ากินได้ก็ น, น่าภูมิใจเพราะ <c oughs> ว่ า, วาอ้าวเราได้ลองปฏิบัติ ด, ดูตามที่ผู้เจ้าท่านสอน ศรัทธาเนี่ยตัวเชื่อมั่นมันเป็นพลังมากเลยนะอย่างน้อยเนี่ยจริงมันไม่อยากจะกินล็อกแต่ว่าโอ้โหเรากล้ากินได้เนี่ยมันมันตัดตัวกิเลสตัวกลัวมัง่งตัวแยงแยงมัง่งนะตัวรู้สึกโอ้โหกินทําไมชุนยังเลยนะตัดอะไรต่ออะไรพวกนี้ลงไปได้เนี่ยเออมันภูมิใจตัวเองไม่น้อยเลยนะมัเออเราก็ถือว่าอย่างน้อยก็ได้ทดลองดูอะแล้ว มันมีความสุขจากการที่ได้ปฏิบัติได้ลดละแม้ว่าโรคสมมติว่าโรคไม่หายก็แล้วแต่แต่มันจะมีความปิติมีความภูมิใจในสิ่งที่เราได้มักน้อยแล้วเราก็สามารถที่จะแบบว่ามีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปติดสุขอะไรมากมายอันนี้แหละแ ล, แล้วชีวิตของคนนั้นเนี่ยจะเบาขึ้นจะสบายขึ้นจะเห็นเลยว่า เบาภาละท่านใช้คํานี้เลยว่าเบาภาละโอ้ไม่หนักไม่เหนื่อยไม่กุ้มไม่ปวดหัวไม่ฟุ้งซ่านเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรเยอะแยะเพราะว่าพอเรามาตัดรอบรถล่ลงมาอย่างนี้ได้เนี่ยโอ้โหแต่ก่อนต้องดูหนังฟังเพลงต้องไปเที่ยวที่นั้นที่นี่ต้องกินไอ้นอยไอ้นั่นเดี๋ยวนี้โอ้โหมันตัดตัดตัดไปได้เยอะแยะเลยสบายมีเวลาเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นไม่อย่างั้นแต่ก่อนเนี่ยต้องไปตกเป็นทาสของ อะไรอร่อยที่ไหนตกเป็นทาาของหนังโรงไหนตกเป็นทาาของเพลงที่โน่นที่นี่โอ้โหต้องไปตกเป็นทาาของสิ่งต่างๆทั้งหมดเลยแต่ทีนี้สบายนะเบามากนะซึ่งเนี่ยก็ถามมาแล้วนี่ตอบตอบเป็นชั่วโมงนะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่ารายละเอียดก็แจ้งไปเรื่อยๆนะถ้าเราเข้าใจได้ก็คิดว่า จะยิ่งทําให้เราศรัทธาหรือว่าเชื่อมั่นมากขึ้นก็บอกแล้วว่าสุขจริงๆเนี่ยคือทุกเราทําให้น้อยลงนั่นแหละคืออุปสมะเนี่ยคือเข้าใกล้ อ, อุปสม อ, ปอุปสมาสุขเนี่ยหรืออุปสมโมสุขเนี่ยก็คือเราจะเข้าใจเข้าใกล้ความสุขที่แท้จริงได้มากขึ้นเท่านั้นเราเข้าใกล้ความสุขที่แท้จริงก็คือเราได้พ้นจากทุกเก่าเรานั่นแหละเราพ้นจากทุกเก่าเราได้มากเท่าไหร่ นั่นแหละคือการเข้าใกล้ความสุขที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นสุขอย่างเนี้ยสุขที่เป็นสุขที่แท้จริงเนี่ยก็คือคุณตัดคุณตัดอยู่แล้วไงเห็นไหมละ่ะคุณลดไปเรื่อยๆใช่ไหมคุณลดทุกไอ้ที่โดนหลอกล่อเนี่ยลดไปเรื่อยๆลดถ้าคุณลดจนหมดอะคราวนี้นะคุณพ้นทุกแล้วนะคุณลดทุกทุกเก่าที่มันมาทําให้เราต้องเสพต้องอะไรเนี่ยหมดคราวนี้ มันเป็นสุขอะไรอ่ะมันเป็นสุขที่เขาเรียกวันิพานเนี่ยอเพราะกิเลสสิ้นเกลี้ยงแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุขที่แท้จริงคืออันนี้แล้วยังต้องกินยังก็ต้องใช้ยังต้องอะไรอยู่ไหมต้องกินต้องใช้แต่ปัจใจสีก็ตามหรืออะไรสิ่งที่บำรุงบังเลงในโลกนี้ก็ตามทําอะไรคุณไม่ได้เลยคุณเป็นนายที่เหนือสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องไปตกเป็นทาสสิ่งเหล่านั้นเลย และนี่แหละที่เ็าเรียกว่าพ้นถุกได้อ้าววันนี้คงพอเท่านี้นะ